Book two. Okay. <er> thirteen. Pskushim. p s k u s h i a t Ofsn shpker. Ofsn shpker. Ma taa tam aray. Marte seda u s r r มาเตสดาฮเซอรเธอทำงานในสำนักงานอาชออฟิสมอฟเชสเเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อร์คอมพิวเตอร์ม ร, รมเลเจ มาท่าอยู่ที่ไหนมาร์ติทดชมาร์ตทดชที่โรงหนังคิโนมเชคิโนมชเธอกำลังดูหนังอาร์ฟิลเมมเย็บอาร์ฟิลเมมเย ปีเตอร์ทำอะไรปเตอร์าชเอรีเตอร์สดาชอร์อรอรเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลายัยอาร์วิเนอร์ซิเตตมเชจอาร์วิเอร์ซิเตตุมเชจเขากำลังเรียนภาษาอชบซ ค, ค์เกช อีกอปีเตอร์อยู่ไหนปีเทีเตอร์ทด ช, ท, ดชที่ร้านกาแฟกาเฟมชกาชเขากำลังดื่มกาแฟอร์กาแเยช กัวฟิวชพวกเขาชอบไปไหนเทเดคอนเิร <im> ์อาัมยาชัสเเดคอนเิร์อาฮัมยาชัสไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมิมพวกเขาชอบฟังดนตรีมูซิกัมยเดอุนเฮร อาหยุส ย, ยสพวกเขาไม่ชอบไปไหนอาห์ฮ์ท ด, ดะซ ด, ดยชาซไปดิสโก้ดิสคอเตอาคอร์ พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ。